ทางนอกเราแต่นคนละคนมาสร้างที่พึ่งกันมากแล้วคือที่พึ่งของรูปร่างกายเรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินเงินทองได้ต่างๆสําหรับที่จะมาหาปัจจัยคือหาเสื้อผ้าเครื่องน o ง g คมหาอาหารต่างๆเราสร้างกันขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องอยู่ของรูปร่างกาย หรือเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายบริหารร่างกายก็เราให้เป็นไปถึงบำรุงร่างกายโดยเฉพาะก็คืออาหารกับน้ำดื่มสุขล่างกายนี้จะอยู่ได้ก็จะ็นต้องอาศัยอาหารถ้าไม่มีอาหารแล้วรูปร่างกายอยู่ไม่ได้งา น, นรูปร่างกายที่ที่เป็นไปอยู่ปัจจุบันอาหารน้ะบำรุงเลี้ยงไป ในส่วนของร่างกายนี้แต่ละอย่างหลายอย่างต้องสึกสึกหลอไปแต่มันมีสันติสืบเนื่องสืบต่อพาอาศัยอาหารนั้มันจึงเสริมสร้างอยีายว่าผมเก่ามันหล่นไปกับผมใหม่ก็งอกงามขึ้นมาหนังของเราที่มากระทบอย่างว่าพื้นเท้าหรือฝ่ามือจับสิ่งขอ ง, องต่างๆมันก็ต้องก่อน หนังต้องขาดไปแต่หนังใหม่ก็เกิดขึ้นปงมาแทนนี่ก็เพราะอาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายให้งอกขึ้นมาแต่ถ้าว่าไม่มีอาหารแล้วเมื่อไรก็หมดไม่มีสารเอนทีสืบเนื่องอย่างจากตําพิษเขาตำก็เฮี้ยนเข้าไปเฮี้ยนเข้าไปเฮี้ยนเข้าไปเพราะมันไม่มีเครื่องสืบต่อ ส่วนร่างกายของเราแต่ละคนนะั้นมันมีเครื่องสืบต่อเรียกว่าสันตติภาษาบาลีอือเครื่องสืบต่อกันของเก่าหมดไปของใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาในร่างกายของเราก็ฟาอาศัยอาหารนะั่นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดเปลี่ยนร่างกายขึ้นมาแล้วร่างกายของเราแต่ละคนทําไมมันจีแกลเฒาชราที่แก่เฒ่าชราก็เพราะว่าธาต คือธาตุไฟตัวเราทุกคน้มีธาตุสี่คือธาตุดินธาตุ น, านา้ำธาตุลมธาตุไฟไประชุมกันธาตุดินหมายถึงสิ่งที่แข็งแข็งในตัวเรามันหมายถึงผมที่สวดผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า อันนั้นถ้าเรียกว่าถาดดินคือเป็นถาดที่ที่แข็งแข็งจับถูกตอกได้แลวยังมีถาดน้ำคือดีสเลศเหือน้องเลือดเหงมันค้นน้ำตาเปยวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมุดอันนี้เรียกว่าถาดน้าถาดลมกระไมายถึงลมคัดพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจนี่คือธาตุลมตัวเราก็เรียกว่ามีลมขึ้นลมลงอยู่นี่แหละบางคนก็เป็นลมก็ป่ะธาดลมนั่นแหละมีธ <c oughs> าตุไฟไฟยังอย่างไฟที่ยังกายให้อบอุ่นคือร่างกายของเรานมันต้องมีความอบอุ่นไฟที่ยังกายให้โกรนก็วาย ในขณะที่ถูกอากาศร้อนๆก็เกิดกลนก็วายหรือเกิดเป็นไข้ก็ตัวร้อนจัดถูกไฟเป่งแสงมามากร้อนมากไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟอันนี้แหละที่มันเผาร่างกายให้ย่อยให้ให้สุดโทมเรียกว่าไฟยังกายให้สุดโทมมันเป็นการเผาร่านึ่ง มันเหี่ยวแห้งไปตามลําดับเหมือนกับหม้อกระทะหรือหม้อโลเปเนียมที่เราตั้งบนเตาตั้งไว้สมั่มจะเมื่อนานข้ามันก็ก่อนไปก่อนไ ป, นไปตามความความร้อนมันเผาหรือเตาเผาเผามากเขา้ามากเขา้ามันก็แห้งมันก็แตกแหลงไปใอ้ร่างกายก็ชุ่มชื้ไปเพราะธาดไฟเผาถ้นนามันมีธาตุไฟก็ไม่ได้ต้องมีครก มีขนาดไม่ว่าความธาตุไฟไม่มีตัวมันก็เย็นไอคนตายมันไม่มีธาตุไฟธาตุสองอย่างนนะดับไปคือธาตุลมกับธาตุไฟดับไปแล้วก็ตัวก็แข็งเย็นอันนี้ว่าถึงธาตุให้ฟังคือร่างกายของเราแต่และคนลนคนเราก็ชินในธาตุมันก็แก่เท่าชราไปตามสภาพนั้นของมันเอง นี่เราก็บำรุงเลี้ยงเราก็ดองดูแลร่างกายเรียกว่าการบริหารร่างกายนี่สี่ก อ, องทุกเป็นทุกพุทธเจ้ามอง <c oughs> เห็นกองทุกต้องมาบอกพวกเราว่าความเป็นทุกข์ก็คือเมื่อพวกเรามีรูปร่างกายนี่จะไม่ต้องหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรเลอกายมาเสริมกายให้เป็นไปเป็นการบริหารการรักษา อเราไม่บริหารไม่รักษาก็ลำบากไม่สบายนะจะไม่ต้องบริหารด้วยไอ้บทต่างๆที่ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนหรือบางครั้งสอบ ก, กําลังกายเพื่อให้กายนี่มันทําหน้าที่การงานของมัน ส, บสมบูรณ์เลือดลมเจดเดินสะดวกในการบริหารร่างกายดูแล ดูแลตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วงั้นจะต้องดูแลคนอื่นอีกมีลูกมีล้านอะไรต่างๆแล้วก็มีการบรรเทาร่างกายถึงก็ต้องมีนายุมียามีโรงพยาบาลมีหมออะไรต่างๆเพื่อมารักษาเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากลาบากของกายแต่ถึงนั้นก น, นั้นมันก็ยังนําความทุกข์มาให้อยู่ ทำนายพวกเราจริงเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองใ น, นจะเกิดประเด็นสัตว์สยามชานมันก็ทุกข์อยู่นั่นเองเพราะเกิดมาแล้วจะไม่ต้องสแสวงหาเครื่องเลื่อนขีตเครื่องหรือเรื่องหากินไม่มีใครอยู่เฉยๆอกเกิมันต้องขอนผายเพื่อหากินกันทั้งนั้นถ้าเราดูสัตว์สยามชานแล้วก็ยิ่งไปใหญ่โอ้โ ห, หมูนกมูนูมัน ตอนเช้ามันก็ บ, บินออกจากรังไปหากินจนค่ำก็กลับเข้าที่นอนข้นที่นอนเช้ามาก็ไปหากินอกีกจะมนุษย์นั้นมีวิชาสามารถเก็บสะสมอาหารไว้เผื่อไว้กินวันหน้าได้ในวันนี้ไม่ออกไปหากินก็ยังมีกินเพราะได้สั่งสมไว้แต่เฉ่ามนุษย์ก็มีความฉลาด สามารถสร้างทรัพย์สินสร้างเครื่องแรกเคลื่อนเปลี่ยนกันได้จึงพอบรรเทาดึงนั้นก็ต้องมีทุกอยู่นั่นเองในนี้ทึกเพียงแต่ว่าเรื่องกระหายกินยังมีทุกอีกคือสภาวะทุกทุกที่มันเป็นเองหมายถึงมันแก่มันเจ็บไข้เดือดปวดแล้วมันจะต้องแตกดับภายหน้าพออาศัยพยาธิพยาธิามาเบียดบีน ถ้าไม่มีโรคบางอย่างปรากอก็โรคชรามาเล่นงานเอามันเป็นอย่างนั้นทีนี้ที่พวกเราเนาื้อพยายามพาคำแสวงหาเลือกคืนหาเครื่องเลี้ยงชีวิตเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้แก่รูปร่างกายกันแล้วกันเรามีที่พึ่งของกายแล้วเราสร้างกันเยอะแยะไปแม้จะมีที่พึ่งของกายมีอาหารมีทรัพยากรถึงขนาดไหน เราก็ได้อาศัยกันชั่วขณะที่เรามีชีวิตกันอยู่นี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะนำไปเป็นีพึ้งในภายภาคหน้าได้ <c oughs> แต่ทางพุทธศาสนานั้นถ้าถ้าพุทธาจ้าตรัสว่าถ้ามีเหตุปัจจัย้าจจยังมีเหตุปัจจัยคือหมายถึงว่ามีอวิชชาตันหาประทานกรรมหรือมีความโลภโกรธหลงเต็มอยู่ที่ใจอยู่แล้วต้องเกิดี เพราะมันเป็นเชื้อที่ให้ใจยึดถือเรียกว่ายังไม่สามารถตัดรูปภายใ น, นออกได้ะมาเคยพูดเสมอว่าใจของแต่ละคนนั้นต้องถือรูปไปสองอย่างถือรูปหยาบกับรูกเล็กรูปหยาบก็คือ ถ, ถือรูปของเราทุกคนที่นั่งอยู่ในขณะที่พวกเราตื่นอยู่นี่แหละมันจะต้องถืออยู่ที่รูปร่างกายอันนี้ มีความรู้สึกที่รูปร่างกายอันนี้ถึงเรียกว่าถือรูปอันนี้ว่าเป็นตัวเองและยังมีอีกรูปละเอียดภายในเมื่อใดใจของเราวางความรู้สึกทางตาหูจมูกร่างกายไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกร่างกายก็ไปรู้อยู่ที่ใจเมื่อไปรู้ใจแล้วจากนั้นใจก็สร้างมโนภาพมีมโนภาพปรากฏขึ้นมาคือเป็นภาพตัวเองนะั่นเป็นรูปตัวเองนะปรากฏให้กิด หรืออีกทางหนึ่งคนธรรมดาโทษโทษไฟที่ยังไม่มีกําลังสมาธิก็คือการนอนหลับพอนอนหลับพร้อเท่านั้นอ่ะพอนอหลับแพ้ลงไปปรากฏเห็นตัวเองออกไปเที่ยวเลยทีบางที่ไปเที่ยวที่นั่นไปเห็นที่นั่นไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ชัดเจนเหมือนกับธรรมดาที่เราอ่ะยังไม่หลับเรียกว่าความฝันในความฝันนั้นเระมัน ยึดถืออารูปละเอียดแต่รูปของตัวเองก็เป็นตัวเองนั่นแหละรูปอันใหญ่อย่างอืน่นเรานั่นเรียกว่ารูปละเอียดที่ใจยึดถือตราบใดที่ใจยังยึดถือรูปละเอียดนั้นอยู่ก็ต้องเกิดต่อไปฏิสามารถที่จะตัดรูปละเอียดนั้นออกได้ไอ้รูปละเอียดนั้นวิญญาณก็คลองอันนั้นเรียกว่าวิญญาณหมายถึงใจนะะั่นล่ะถ้าใจของเรานะคลองรูปอย่างนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณ อย่าว่าคลองในร่างกายของเราก็ต้องมีมีทั้งวิญญาณมีทั้งดวงรู้วิญญาณก็หมายถึงความรู้สึกของเราออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความรู้สึกมาเช่นนั้นนะเรียกว่าวิญญาณหนูไปทางตาเห็นรูปต่างๆเห็นรูปแล้วก็จํารูปนั้นไว้ด้วยหนูมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอาร่างกายนี้ต้องมีความรู้สึกทั่วสพางกาย พวกเสนทุกเส้นขนมีความรู้สึกไปเรีนไว้แต่ที่นั้นมันเป็นอมภารมันรู้ไปไม่ถึงไม่มีความรู้สึกไปในส่วนนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่ากายวิญญาณนี่ยังมีภายในก็ยังเรียกว่ามโนวิญญาณเข้าอีกนะหมายถึงใจไปรู้อารมณ์หรือรู้เรื่องราวที่มันมีในใจนั้นนะรู้อะไรล่ะ ก็ไปรู้ความสบายไม่สบายก็คือเวทนาไปรู้เวทนานั่นแหละในเวทนาคือความสบายไม่สบายท่านก็เรียกว่าอารมณ์คือเรื่องราวที่มันมีอยู่นั่นแล้วไปรู้เรื่องสังขารคือคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปุงเรื่องนั้นบางคนนั่งอยู่คนเดียวคิดเรื่องความคิดก็เป็นตัวตนคือความคิดแต่และอย่างอะอย่างคมคิดมันต้องคิดสร้างรูปขึ้นมา จะไปคิด ล, ลอยๆมันไม่มีอ่ะคิดถึงคนก็ต้องสร้างคนขึ้นมาอย่างหนุ่มๆสาวๆมันคิดถึงแฟนมันก็ต้องเห็นรูปของแฟนมันอยู่ขึ้นมาในใจมันก็คิดขึ้นมาในนั้นภาพนั้นมันปรากฏขึ้นในใจจัิงหรืความคิดนั้นมันเป็นตัวตนมันเป็นรูปล่าง สัญญาความจาได้จําได้ก็เหมือนกันก็จะสร้างรูปขึ้นมาเป็นเครื่องจำอยู่จึงเรียกว่าเป็นตัวตนการสร้างการคิดนึกเป็นภาพขึ้นมาหนาจิตมันจะต้องติดภาพดูในภาพนั้นจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณคลองต่อไปสมมติว่าคนตายจิตถอนจากร่าง วางรูปหยาบรูปเดิมมุ้งตัวเองที่ถืออยู่นี้ขาดสะบั้นเมื่อใดรูปละเอียด ก, ก็ปรากฏภาพขึ้นมาเป็นตัวตนให้ตัวเองยึดถือทันทีมันเป็นของมันไวเหลือเกิน อ, อย่างคนตายอุบัติเหตุยงถูกรถชนบ้างอะไรต่างบ้างจิตมันสลัดออกจากร่างกายนี้อย่างแหลกไวพอสลัดภาพก็เห็นตัวภาพตัวเองเป็นยืน อ, อยู่ข้างนอก ก็เป็นตัวตนนะมองก็เป็นตัวเองนี่ น, ะนั่นแหละคือรูปละเอียดมันถ่ายเอาภาพนี้มานานถือรูปหลักหยาบเล่าเรื่องกายนี้มานานแล้วเป็นตัวเองนานมาแล้วเมื่อก็ไดจำแม่นยำกายที่ถอนออกแล้วจะไม่มีที่ยึดที่ถือไม่มีเพราะมันถือไว้แต่ต้นแล้วถือรูปของตัวเองนี้ที่เป็นรูปหยาบนี้เป็นตัวตนจริงๆแต่รูปข้างนอก เป็นเพียงภาพอย่างเราคิดต่อปรุงเราแต่งนั้นต่ต้องสร้างภาพขึ้นมาเรื่องความคิดก็เป็นเพียงภาพให้เห็นชัดเจนในจิตใจตัวเองคิดถึงเรื่องคนก็สร้างคนขึ้นมาถ้าอย่างคิดถึงจะสร้างบ้านจะสร้างบ้านมันมีภาพของบ้านขึ้นมาปว ด, ดให้ใจยึดถือสิ่งนั้นๆไม่มีสิ่งที่ลอยจรียกว่าความคิดก็เป็นตัวตนมันถือเป็นตัวตนทัานนั้นสร้างเป็นตัวตนท่านนั้นมต่เมื่าเราจะ จะคิดเนี่ยเอาวิธีการเอาเราวิธีใช้วิธีเดินเอาเดินออกจากตามถนนไปตั้งศรน่าวัดเนี่เดินไปใช้จิตของเราเดินไปมันก็เหมือนกับเราสมมุติตัวเองเราเดินไปอย่างนี้รูปตัวเองนะเดินไปโน่นแต่เป็นเพียงกระแสจิตที่ส่งออกไปเท่านันนก็ต้องถือเป็นภาพขึ้นทีนี้เมื่อไม่ตัดภาพมั น, นั้นออกแล้วก็คือว่ายังเกิดอย่ นั่นเป็นวิญญาเนี่กว่าให้ตัดวิญญาณตัดสายสายดวงรู้ที่มันส่องแสงออกไปดับแสงมันออกถ้ามันจะมีแต่ท่ารู้อันอย่างเดียวตัดออกได้แล้วมันจึงจะไม่ยึดถือ <c oughs> ทนี้การจะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็ขึ้นอยู่ที่การที่จะสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดก็สามอย่างนั้นแหละ วิธีการที่เราปฏิบัติอย่างนี้กับปฏิบัติเพื่อให้ใจเพรเราครั้งแรกเราวาสร้างสติปรุงสติรักษาสติคือรักษาใจในเองรักษาใจของตัวเองแต่ละคนละค น, ะคนรักษารักษามันเมื่อรักษานา น, านานเข้านานเข้ามันได้จุดเดียวมันก็เป็นสัมปัติยะรู้ตัวตลอดคือรู้ใจนั้นตลอดจึงท่านจึงเกียบอสติสัมปัตญยะ รเ ล, ลึกได้รู้ตัวนั่นเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ที่รักษาลูกตัวเล็กๆมันทั้งดือ้อทั้งซนน่าล้ำคาลล่านะสุนแต่ก็นเสน็หว่ามันไม่เดียงสามันก็ะเรียนไปตามธรรมชาติไปอย่างนั้นแต่ว่าอาศัยแม่นะพยายามดูป้องกันไม่มีอันตรายแก่ลูกที่ยังไม่เดียงสานั้น อะไรไม่ดีก็ต้องห้ามทั้งนั้นกันทั้งนั้นจนกว่าเด็กนั้นมันจะรู้เดียงสาขึ้นมารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักที่สิ่งที่มันเป็นโทษเป็นคนขึ้นมาโดยลําดับก็มันต่อมาก็รักษาตัวเองได้อย่างตัวเราแต่เล็กๆ ก, ก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราอายุมากเข้ามาแข็งแรงขึ้นมาสติปัญญามเพิ่มเติ ม, เ, ม, เ, มเป็นรู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาก็รักษาตัวเองได้ไอ้ใจของเราก็มั น, มนอ่อน คือสตินั้นยังไม่ยังไม่เข้าไปนอนมีแต่สติตามธรรมชาติสติตามธรรมชาติคือทุกคนมันต้องมีสติระลึก ร, รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาด้วยตเองแต่ว่ารู้ทางกายและวาจาเท่านั้นที่จะคุมครองได้คือทำคุมครองในการทำให้ถูกต้อง ในการพูดให้ถูกต้องนั้นได้แล้วก็ห้ามในสิ่งที่มันเป็นห ย, ยาบที่ถือว่ามันไม่ดีนั้นได้เช่นว่าห้ามไม่ให้ฆ่ากันล้วก็ถือว่าไอาการไปฆ่ากันไปเบียดเบียนกันมันไม่ดีเราก็ไม่ฆ่าอย่างว่าไม่ห้ามให้ฆ่ามนุษย์มาฆาฆ่ามนุษย์โดยกันนั้นเป็นเป็นบาปหนาได้รับโทษทั้งทางโลกทางธรรมล้วก็รู้นะมันเป็นของไม่ดีเราก็ไม่ทาแล้วงดเว้แล้ว จะให้เราไปเป็นโจรผู้ไร้นะ่ะเราก็ไม่ไปเป็นแล้วเพราะถึงมองเห็นว่าเป็นของที่อยากเว้นไว้แต่อันตรภานี่มันไร้สติแล้วน่ี่ว่าสินห้าไม่มีแล้วเรียกว่าทําในทุกอย่างอันนั้นต่งหากแตหมายถึงคนธรรมดาทั่วๆไปเขาจะมีสติสมัมปับจัญญามีความอายบาปมีความกลัวบาปนั้นเป็นประจำแล้วมีเมตตาอารีในพี่ในน้องในญาติในมิตรของตัวเอง นั้นธรรมชาติมันมีอย่างนั้นแต่ว่าจะเอาไปคุ้มครองใจจะไปคุมสติชนิดนั้นจะไปคุ้มครองใจไม่ให้มันโกรธมันเกลียดมันรักมันหลงมันลืมมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันโกรธนะว่าให้นึกพุทโธอยู่ตลอดหรือให้เมตตาตลอดมันโกรธขึ้นมาได้ยิ่งจะไปนึกพุทโธมันไม่ทัน มันมาก่อนที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราจะเอาสติหยาบนั้นไปคุ้มครองมันไม่ได้บอกตอนนี้ไปสมมอเราเต้าตอนนี้ไปตั้งเราเนะี่ชอบงุ่กีชอบโกรธง่ายๆก็ตอนนี้ไปจะไม่มโกรธง่ายๆก็แล้วทั้งๆที่ตั้ ง, ง, งใจก็ลืมเวลากระทบเห็นมาพราะมันเอาพับทันทีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรามุ่งเพื่อจะเอาสติอันหยาบๆของเรา เข้าไปคุ้มครองไปรักษามันนคุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้ดอกต้องเป็นสติที่สร้างขึ้นภายในต้องเป็นตัวสัมปชัญญะที่เกิดผุดขึ้นในใจนั้นจีงจะสามารถเป็นที่พึ่งของใจได้พูดง่ายๆก็คือที่พึ่งของใจก็คือสติสัมปชัญญะเอ ง, เองไม่ใช่เอ็นกายแต่ว่าเป็นสติสัมปชัญญะที่มันนอนเรื่องอยู่ในใจรู้ตัวเอง รักษาตัวเองคมครองตัวเองเหมือนแม่รักษาลูกน้อยดังกล่าวเลยระวังอยู่ตลอดมันระวังขง้ออ น, นี้เราไม่ต้องไประวังหรอกการระวังนะั้นเป็นสติข้างนอกเราตั้งไว้แต่ระวังได้เฉพาะการกระทําทางกายและวาจาเท่านั้นดังนั้นการเพืตสติข้างในเพื่อสร้างสัมสติสัมปชัญญะข้างในจึงเป็นสิ่งเช่งสาคัญ วิธีที่จะสร้างสติสัมปชัญญะก็เกอดท่านก็สอนให้เรานะตั้งตั้งใจตั้งใจทำงานตั้งใจไว้ในหลักหลักกรรมฐานหรือในที่ตั้งของใจแต่ละคนละคนนะต้องมีที่ตั้งใจฐานที่ตั้งของใจก็มาเคยพูดอยู่บ่อยๆฐานที่ตั้งของใจฐานที่หนึ่งที่ลมกระทบ ฐานบนเราสามารถหาจุดที่ตั้งของใจได้โดยหายใจเข้าออกมันกระทบตรงไหนก็ถือจุดนั้นเป็นที่ตั้งใจหรือมิฉันันก็นึกพุโทโธพุทโธพุทโธดึงความรู้สึกเข้ามาจดจ่อพุทโธมันดังขึ้นมาตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนก็ให้ไปจดจ่อจุดตรงนั้น อ, อีกแบบวิธีหนึ่งก็คือให้กั้นลมหายใจ แล้วก็ดึงความรู้สึกเข้ามาจดจ่อข้างในมันก็จะได้จุดที่ตั้งที่ไม้อันนั้นคือที่ตั้งเราหาหรือในวิธีการที่จะให้ใจเอาใจไปตั้งคือเราทาทั้งนอกทั้งในเราโดยวิธีการเพื่อจะให้ใจของเราไปตั้งยอยู่จุดนั้นให้ได้ครั้งแรกเรียว่าเอาไปตั้งโดยเพียรพยายามรักษาเราวังไม่เถอะบางครั้งมันยังต้องเผอไป นะต้องมีวิธีการเชื่อนหวท่องสอนให้เรานึกถึงถึงทานถึงเศียรนึกถึงความดีต่างๆของเราที่เราได้สร้างได้ทำมาให้เกิดปีติปาโมทขึ้นอกชื่นใจขึ้นมาเมื่อละปีติปาโมทความชุ่มชื่นเบิกบานนึกความเรื่มใสความอิ่มใจเกิดขึ้นมาเลยแล้วท่านก็สอนอา้ารีบเอาไปตั้งทานแล้วทีง ยังไปปล่อยถ้าปล่อยมันก็ลอยไปไม่ได้ประโยชน์จากนั้นในหลักกรรมฐานที่ท่านสอนเอาโดยเฉพาะพุทธอันเรียกว่าอนุสติสมัยนี้เราใช้อนุสตินะมากคือพุทธานุสติธรมมานุสติสังคานุสติจาคานุสตินึกถึงทานศีลานุสติ นึกถึงศีลที่ตัวเองเคยรักษาเคยปฏิบัติมาเทวตานาตุ้สตินึกถึงคุณของเทวดาหรือคุณความเป็นเทวดาหมายถึงนึกถึงผู้ที่เขาได้ดีได้่งางๆเขาได้เป็นเทวดาอะไรต่างๆหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเพิ่มปีติวะทําดีแนละ้วมันเป็นเ ป, น เ, ปนเทวดาได้หรือให้นึกถึงคุณธรรมอะไที่เป็นเทวดาหมายถึงความอายบาปรูปบาปแต่ปกติท่านสอนให้เรานึกถึงเทวดาธรรมดานะอุปติเทวดาหละ หรือบางคนนะ่ะท่านนึกถึงบาทคนที่สร้างดีให้ท่านักศึศษานั้นไะด้ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้นึกไปมันก็จะเป็นเหตุให้ปลื้มใจเพราะในการทำดีตัวเองแต่เมื่อ น, นึกถึงอย่างนั้นต้องตั้งใจจึงจะได้ไประโยชน์คือตั้งใจเข้าสู่ฐานของสมาธิภพับตดต่อ น, นั้นไปก็ไม่ต้องนึกถึงรักษาใจไว้อย่างเดียวกายคตาสติ ให้ตั้งใจไว้ที่รูปร่างกายพอเรานั่งพับกระทำความรู้สึกตัวเองนั่งดูตัวเองเหมือนกับเราดูคนอื่นนั่นแหละเอาใจในะจดจอดูร่วม่างกายของเราเน่ะดูมันตั้งแต่หัวดูเอาใจในะรูปเอาความรู้สึกในะรูปหัวลงมาหรือมีแคนั้นทีเข้าไปสมองเพ่งดู ผู้ชายเอาผู้ผู้ชายนั่นให้ทำความรู้สึกแห้งดูเข้าไปทางสมองซีขวาทำความรู้สึกเข้าไปแล้วก็ลูปลงไปไปที่คอไหลไปถึงแขนสุดปลายมือแล้วกลับขึ้นมาใหม่เอาเข้าไปที่สมองขั้นขวาอีกปลากลงไปผ่าซีกของร่างกายลงไปออกขาขวา แล้วก็กลับคืนมาเข้า ส, ส, ส, ส, ส, ส, สมองเบื้องซ้ายรูปลงไปทาความรู้สึกให้มันรูปลงไปตามคอแล้วก็ออกไปไปลายมือซ้ายแล้วกลับคืนมาเข้าสมองรูปรูปขาที่ลงไปซีกซ้ายออกไปขวาไอ้อย่างนี้เรียกว่าเราทำความรู้สึกตัวรู้สึกร่างกายแล้วก็ผมพยายามกำหนดระดับนี่เคยรูปร่างกายแล้วรูปร่างกายนี่มันมีอะไรก็คือใช้ มีจานมีใจมันลงไปดูข้างนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังที่มองเห็นสีหนังนี่ห่อห้มร่างกายทั้งหมดถ้าลอกหนังออกไปก็จะเห็นทั้งผืวติดมีเนื้อมีเส้นมีเอ็นแล้วก็มีเลือดเยื่อออกมาใส่ห่อห้มกระดูกมีเอ็นเส้นเอ็นรัดลึงข้อต่างๆไว้ แล้วก็มีกระดูกแล้วมีเสื่อในกระดูกเอาเข้าไปในท้องมีตับไตไ้พวกเนี้เรานึกถึงอาการทั้งอย่างนั้นหรือเราจะนึกไปตามอาการที่เราสวดกันก็ได้คือให้ใจมันวิ่งไปตามอาการนั้นก่อน เ, อเกซาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บที่เราสวดเราเกสาเราก็นึกถึงผมที่บนศีรษะนี้โลมาแล้วก็นึกถึงขนตัวสะพางกาย นึกให้ใจของเราไปตามอาการอย่างนั้นใจมันก็จะอยู่กับอาการ น, า น, านั้นๆทีนี้นเมื่อเราทําใจมันเพลิดเพลินในร่างกายทั้งต่างๆแล้วเราก็ตั้งใจต้องประคองใจเข้าสู่ฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของใจฐานที่หนึ่งเอาตรงองค์นี้เป็นที่หมายประคองขามาังาพอประคองเข้ามาก็รักษาใจไว้ในจุดนั้นก่อนอันดับแรก ตั้งใจไว้ในจุดถ้ามันอยู่ให้มันรู้อยู่ในจุดนั้นอย่างเดียวให้มันนิ่งรู้หนิมอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้ใจเข้าสมาธิเพื่อเข้าสู่ความนิ่งหนิมแต่เป็นการรักษาอันดับแรกก่อนคือเราเระวังไว้ก่อนจึงเรียกว่าสติเพยายามมานึกนึกถึงจุดนั้นไว้ให้ได้แล้วให้พังไม่เผอเป็นตัวสัมปะัง ญ, ญัลรักษาไว้ แต่ที่เมื่อรักษามากเข้ามากเข้ามันจำก็จะมั่นในจุดนั้นทีไม่รักษายากมันนิ่งได้เลยพอมันรู้สึกว่ามันนิ่งเขาความชุ่มชื้นก็เบิดเกิดขึ้นในจุดนั้นไม่ว่ามีความชุ่มรู้สึกว่าเยือกเย็นขึ้นในจุดนั้นมันก็ได้แสดงว่าใจนั้นได้รับความสงบลงไปบ้างแล้วีนเมื่อปิติสุกนั้นมันมี น, มน่าเข้ามากเข้าความชุ่มชื้นก็มีมาก ครา น, นี้ไม่ต้องไปรักษายากแล้มันอยู่ได้เองเนะครับขนาะถ้ามันเป็นได้อย่างนั้นเรียกอัปปจารสมาธิหมายถึงใจมีปีติสุขนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็รับรู้รับทราบตรงจุดนั้นอีกทีพอขณะ น, นี้ใจของเรามันมีปีติสุขปีติสุ ข, สขมันเกิดขึ้นแล้วขนาดนก็รับรู้รับท้าบนึ่งคือปีติคือปีติความอิ่มใจสุขก็คือความสบายใจความเบา นี่ขึ้นในจุด น, นั้นใจน่ะเป็นผู้รับใจน่ะเป็นผู้รู้อาการอย่างนี้แตปีที่สุกนี่มันไม่ใฉ่ใจใจก็มีหน้าที่รู้นี่ถานะ่ะคือความรู้สึกที่รู้นั่นเองนะใจเรียกว่าใจก็แล้วกันไม่ต้องไปไว่าอย่างอื่นเมื่อไปแยกแยะสับ ม, มากไปเราไม่รู้จักซับจักแสงได้วชัก็สงสัยแตหมายถึงความรู้สึกที่รู้อยู่ขนาดนั้นนั่นเองนะนเนี่หัวใจก็แล้วกัน จะเปคนนคว้าอย่างอื่นนี่คือใจแล้วก็นิ่งอยู่จากนั้นต่อจากนั้นทีนีนเพื่อจะให้ใจเรามันแน่นหนาลงจากนั้นก็วางในชะ้ทั้งหมดไม่ต้องประกองไว้ในฐานนั้นอีกแล้วปล่อยมันลงไปเลยให้มันไปถึงจุดลุ่มจนมันสามารถไปตั้งอยู่ในรู้อยู่ในจุดใดก็ให้เข้าอยู่จุดนั้นไม่ต้องเพ่งไม่ต้องมองนะ หมายถึงว่าครั้งแรกนะเราประคองใจก็เราไว้ในฐานข้างบนเนี่ยเราประคองไว้แต่ที่เราวางไม่ต้องประคองมาละทิมปล่อยมันล้ไปเลยมันมีความรู้สึกอยู่แค่ไหนเพียงไรก็รู้อยู่แค่นั้นอันนั้นเรียกว่าเราให้ใจเขาเราถือฐานของอัปปนาสมาธิใจนั้นจะมั่นมั่นคงแน่นหนามากตรงนั้นไม่ใช่เป็นทางที่จะใช้ปัญญา เป็นเพียงที่นิ่มที่หนิงที่อยู่รู้อยู่เท่านั้นถ้าเราจะใช้ปัญญาก็ขยับขึ้นมาฐานเดิมที่เราตั้งบนนี้ประคองเข้ามาแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาทำอะไรก็ขัดเลือกจริงๆเหลือว่าเลือกเช้นใ น, ะ น, ใในสิ่งที่มันในใจนะไหนในใจใจก็คืความรู้สึกคือรู้อยู่นะ่ไหนจะ ท, ท, ท, ทําไหนยะทำาก็หมายถึงอาการทีท่ใจไปองเราไปรู้สึกว่าสบายไม่สบายเหนื่อยไนงะ นั่งเเถอนะใจมันเปลนใจไปรู้เท่านั้นะทุกอย่างนั้นจะต้ออยู่ที่ใจเนีะใจมันไปพร้อมกันไม่ถ้างากว่าไม่มีใจมันก็ไม่มีเลยถนามันมีแต่รู้แต่ว่าสุกมาก็รู้สุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดที่มากระทบก็จําได้ แล้วก็อารมณ์ทั้งหลายที่ทามันตายมันก็ใช้ความคิดไปนั่นมันมันก็เป็นวิญญาณไปแล้วแต่ถ้ารู้ถึงมันเป็นกลางมันข้างในในจุดข้างในนี้รู้อย่างเดียวแล้วไ ม, ม่ความรู้สึกรู้อยู่ในจุดโนดันเพรามันเป็นตัวกลางข้างในยานจาเป็นจะต้องเวลาเราสงบแล้วก็รวมสิ่งนั้น น, นเข้าไปในจุดเดียวกัน รวมทั้งเวทนารวมทั้งสัญญารวมทั้งสังขารรวมทั้งวิย ญ, ญาณเข้าไปยึดเก็บไว้ในจุดเดียวนั้นหมดพอเก็บไว้หมดแล้วทีเราจะใช้ไปกดคัดเลือกอันนี้แหละใ้อันนี้แหละเวทนาอันนี้แหละสัญญานี่สังขารเวิ ญ, ญาณอันอย่างนั้นน่าจะว่าใช้ปัญญาไม่ใช่ปัญญาข้างนอกหรอกปัญญารู้จักขันห้านี่เพื่อไม่ให้มันมันยึดถือ ถ้าเรารู้จักทำความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ยึดถือยึดถืออะไรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเรายึดถือว่าเวทนาก็เป็นเราสัญญาก็เป็นเราสังขารก็เป็นเราวิญญาณก็เป็นเราน่มันไม่ใช่เราอันนั้น่ะมันก็เป็นอาณาณหล่ะมันก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณนั่นแหละมันไม่ใช่เราก็คือไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่ตัวรู้หรือไม่ใช่ธาบรู้นั่นแหละ มันเป็นแสงเพลงแสงของมันเท่านั้นให้เรารู้ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นที่โพธิจารย์หมถือเอาวข้อพ่อมันเกิดดับเวทนามันเกิดดับมันต้องมือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เป็นกลางกาสัญญาเดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จําไม่ได้ฉังขานเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีมันเปลี่ยนสภาพหมุนไปหมุนใหม่ เพาะวยใจจึงว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เราถ้ามันเป็นเราแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นส่วนเราละ่ะธาตุรู้ข้างในนี่นี่หวาเราอีกละ่ะแต่จะไปสมมุติเป็นตัวตนสมมติเราไอ้ธาตุรู้ ก, ก็คือเป็นตัว น, น้อยๆเหมือนกับพุทธ ร, รูป น, น้อยเออนั่นแหะยิ่งสมมุติ์สบนใอกีกบางครั้ว่าไอ้ดวงรู้นะมันเป็นตัวสว่างมองเห็นเป็นจุดๆเป็นสว่างมานั่นก็อีกละ่ะ ไปสมมติบัญญัติขึ้นอีกแล้วสมมติบัญญัติยังไงและตัวไหนล่ะตัวที่มันไปเห็นจุดแดงๆเป็นมนๆเป็นกลมๆเป็นสว่างะตัวไหนมันไปเห็นกันน่ะมันยังไม่ตัวเห็นตัวนั้นอีกคราหนึ่งมันก็เลยไม่ใช่อีกอ่ะไม่มองเห็นเหมือนตาของเรามองเห็นรูปหนะึ่งรูปแนะ่นอนเป็นรูปเป็นตัวจริงนั้นะ ตาตามันจับรูปอย่างว่าเห็นรูปคนเป็นคนตาก็จับอยู่ที่นั่นเห็นที่นั่นเห็นแต่ว่าตาตัวเองดันไม่เห็นนันไม่เห็นตาเพราะว่าตามันอยู่ใกล้นี่เองอะ่ะไม่เห็นเลยแต่ว่าไปเห็นรูปนอกได้อันนี้เหมือนกันไอคนที่มองเห็นว่าใจเป็นดวงสว่างเป็นดวงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกัน ก็ไปสมมุติเหมันเป็นนิมิตขึ้นมาก็มันไปถือเอา น, นิมิตนะั่นเป็นใจขึ้นมาอีกหนะึ่งก็เป็นดวงสว่างสเสบงอย่างนั้นอย่างนี้ถือเอาผิดทางนั้นงานหลักการก็จึงได้ายากิรู้จริงไม่จริงหนะ่ะให้ทวนกระแสเข้ามาทวนกระแสทวนเข้ามาจากสิ่งที่เห็นนะึ่งทวนว่าใครเห็นนะถ้มันไปเห็นเป็นดวงสว่างน่ แล้วสาวเึ้นมาตัวจุดต้นที่เห็นนะั่นคือสาวเข้ามาจุดต้นสิ่งนั้นก็ดับคบทันทีมันไม่เหลือถ้ามันเป็นจริงมันก็ไม่ดับของอะไรที่ยังเกิดดับอยู่นั่นไม่ใช่แล้วไม่จริงแล้วที่เราไปมองเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ค่อยมองเห็นด้วยมันก็ลักษณะนิมิตละเอียดภายใน บางคนไปไมเห็นนย่นี้เราเด่นดวงดวงรูนะนเป็นเป็นวงกลมเป็นวงมีแสงสายเป็นเส้นห้าเส้นหกเส้นนู่นเขานับกันแล้วไขล้ะที่ไปนับเท่านั้นเส้นเท่านี้เส้นนะแล้วไขละที่ไปมองเห็นว่าเป็นวงกลมเป็นดวงสว่างอย่างนั้นใครไปเห็นกันนั่นไม่สาวมาหาต้นมันมันก็เลยไปถือสมมติปัญญาติเอาไม่ถูกต้อง หลักการที่ให้ภาวนาหลักต้นคือฐานที่ตั้งของใจนะั้นสำคัญมากทีเดียว น, นเมื่อเราหใจมันรู้มันเห็นสมมุติบัญญัติอันใดที่มขึ้นมาแล้วตนะ้องพากันประคองดึงเข้าสู่ฐานที่ตั้งนั้นแทนที่พอดึงเข้าฐานนั้นมันเป็นต้นเข้าหาต้นดวงรู้แล้วมันก็จะหมดปัญหา ว่าสันทิฏฐิโกเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะถ้าเราเข้าสู่ฐานที่ตั้งท่านจึงสอนให้เราทําสมาธิเพื่อหายใจมันมั่นยังไงอะ่ะถ้าวางฐานของสมาธิแล้วเหลวทางนั้นะ่ะมองไปข้างนอกเห็นข้างนอกจับข้างนอกแล้วเห็นอะไรขึ้นมาก็ถืออันนั้นแล้วยกตัวอย่างที่ท่านใช้ฌานใช้ดวงนิมิตอะไรต่างๆ สร้างนิมิตอย่างว่าเขาเพ่งกับสิ้นเพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งลมเพ่งไฟลงลก แ, กลแล้วเพ่งลูกแกว้วหรือเอาเธอมันก็เป็นนิมิตนะให้จิตยึดถือถึงนั้นๆก็เห็นแต่ว่าเพ่งลูกแกว้วมองเห็นลูกแกว้วเป็นแสงสว่างเป็นดวงครั้งแรกก็มองดูลูกแก้วธรรมดาธรรมดามองก็มองก็มันเกิดแสงสว่างเป็นนิมิตนึกขึ้นมานึกนิมิตนั้นขึ้นมาเมื่อใดก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนนั้นใจเป็นเห็นนิมิตแต่นั้นนึง แล้วไม่ได้เห็นใจหรอกถึง่ว่าใจนั้นไปเห็นนิมิตอันนานๆแต่ก็ลองย้อนมาดูใจเมื่อรดับวึบทันทีนั่นก็เรียกวานิมิตแต่ว่าเป็นนิมิตภาพภายในก็สำเร็จประโยชน์ได้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆภายนอกได้เหมือนกับเรามีกล้องซองมองถึงเหนได้ไกล แต่ไม่ได้ย้อนมองมหาตัวเองฉะนั้นหลักการนั้นจึงเป็นของเพียงเล่นของเล่นเหลืองฤาษีทีภายอะไรต่างๆสมัยครั้งก่อนพระพุทธเจ้าของเราฤาษีอาราดดาบทอตกดาบทเก่งมากอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสามารถลูกชาตินหน้าหน้าหลังได้ตั้งอย่างละแปดสิบนุนแปดสิบกราบจดจำไป ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่พ้นกิเลสเพราะว่าเอาใจไปเกาะอยู่ในฌานนั้นเท่านั้นไม่ได้เห็นใจเลยใจจึงไม่อดทนพระเดเจ้ามาได้วิธีตอน้าองนนะ้ะรู้ดมีใจรู้แล้วก็รู้ใจด้วยพวกเหล่านั้นมันมีแต่รู้ออกไปแต่ไม่รู้ใจตัวเอง างานวิธีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันนี่ว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบสมาธิที่จะสามารถให้เกิดปัญญาได้ไม่ใช่สามสมาธิที่หลบเข้าไปไปซ่อนตัวอยู่กลับเป็นภพเป็นภพอีกต่อไปงานพวกเราปฏิบัติกันนี้เราต้องสร้างทั้งสติสร้างทั้งสมา เพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วเราก็สร้างปัญญาสร้างปัญญาโดยการเลือกเฟ้นว่าอันนี้คือใจนี่คือเวทนานี่สัญญาสังขารมิญาณเวทนาสัญญาสังขารมยาณแต่เกิดดับแล้วก็พยายามประคองสังเกตดูอันไหนมันเกิดดับน่ะไหนเกิดดับสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ว แล้วจะต้างกำหนดบำเพิจารณารูปร่างกายกเพื่อให้มันเห็นตามความเป็นจริงที่มันมีนั่นแหละไม่ใช่อื่นกายหรอกําหนดรู้กายพิจาณาธรรมดาธรรมดาก็เล้ดับความความเปจริงแล้วเราก็ไปสงบจิตถ้าไปพิณาธรรมดาธรรมดาไม่สงบจิตนั้นไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์หรือเราจะกําหนดรู้กายก่อ น, นังที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ว่ากายคตา กำหนดรู้กายก่อนีพยยนิจารณาร่างกายเสีย บ, บก็เป็นสงบจิตก็จะเป็นทางให้เกิดปัญญาอีกทางหนึ่งอย่าอนาพานสตติกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เราใช้กันอยู่เพราะว่าแต่ละคนแล้วคนต้องมีลมหายใจเข้าออกทีถ้าเราเล่นจะลมตลอดเอาไปตลอดมันก็สามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลานานต้องให้เกิดโอกาสในมิตของลมขึ้นมา แต่นี่เราใช้เป็นเพียงบาทเบื้องต้นสําหรับที่จะให้จิตเข้าสู่สมาธิบเบื้องต้นคือคณิกาสมาธิเท่านั้นไม่ได้ใช้ลมไปตลอดเพราะว่าถ้าใช้ลมไปโดตลอดนั้นแอมก็ไปเผื่อสิ่งนั้นนั้นเสียดันั้นเราใช้ลมหายใจคอกแล้วเป็นพัฒฐานเป็นที่ตั้งใจให้มันสบายสะก่อนแล้วเราก็ตั้งใจเข้าสู่จุดตั้งให้มันมัน่นให้มีความชื่นขึ้นมาในจุดนั้น แล้วเราก็จะลงไปก่อนเหรือจะค้นคว้าก่อนก็ได้คืออา่านวันนี้คือใจคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแล้วก็สงบ จ, จิตเมื่อสงบจิตแล้วก็ปล่อยลงให้ถึงสุนฐานให้มันเป็นกลาดูฐานตนาสมาธินี่เราจะใช้บัรยายนี่เขยกขึ้นมาสุดฐานบนอีกพระคองขึ้นมาข้าสุดฐานบนนั้นก็ใช้การเลือกเฟ้น แล้วก็มากำหนดรู้กายพิณากายแล้วก็ทิ้งอาการใช้ความอย่างนั้นมารู้ใจจริงดูใจต่อไปจนี้เพื่อให้ใจนั้นมันเกิดปัญญาญาณต่อไปคือนาฐานที่จะให้เกิดวิปัสนาญาณไม่ใช่ต้องเกิดตรงจุดนี้แต่ว่ามันจะเกิดเราจะไม่ต้องสร้างสติสมาธิปัญญาไปตามลำแบบแล้วคืนมาดูใจต่อไป อันนี้เป็นอุบายวิธีสําหรับให้แต่ละคนและคนแนะ น, นาไปใช้ทาไปปฏิบัติเพียนพยายามทําส ม, าม่ําเสมอก็จะเป็นทางให้เราใจของเราเนี่ยได้สติสมาธิขึ้นมาบริบูรณ์ขึ้นหม่เราจะพา ก, กันไปอ้างการเวลาเราเราน่ะมีกิจมีธุระมีหน้าที่จะต้องทําอย่างนั้นเราไม่มีเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นที่ว่าเป็นผู้ประมาทเราจะเอา เราจะไปอ้างเอาเวลาไหนที่จะมาทําให้เราล่ะมันไม่มีเวลาดอกแต่ละคนละคนมีงานทั้งนั้นอย่างภายในวัดเป็นพระเป็นสงฆ์ม่นก็มีงานงานของเพื่นกับศึกษาเราเรียนพระธรรมมีในไหว้พระโสดมลนั่งภาวานาอันนั้นมดสาหรับผู้ที่ไม่มีหน้าที่สําหรับอตาตมาที่ทํางานก็เพิ่มอีกในศึกษาเราเรียนพระธรรมมีในพระพุทธบาทแต่ยังไม่ต้องช่วยญาติโยมแนะนําพัฒน์สอน โยมอย่างนี้นเรียกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนนี้ก็พึงทําตมาไม่ได้อ้างเออเวลาของเราไม่ได้อ้างางั้นหน้าที่เราก็ต้องทํากันส่วนการสงบจิตใจก็ต้องสงบไปตามหน้าที่อีกเหมือนกันอย่าสิ่งที่ตมาทำหนุกทุกวันแต่พะวันพัสําสหรับญาติโยมตมาก็ทําตามหน้าที่มาตลอดขอให้ญาติโยมทุกค น, น, นจะไปอ้างการเวลา เราตอนเวลานั้นต้องแก่เท่าซะ ก, ก่อนเป็นยายแก่ตาแก่ค่อนซะก่อนเป็กกน จ, จะภาวนาโอ้ถ้าไปถึงขนาดนั้นเรามันนั่งภาวนามันเจ็บแอวเจ็บหลังมันจับหลังเจ็บแอล้วก็จะหานั่งภาวนานั่งไม่ได้แล้วขึ้นนั่งเก้าอี้นู่นมันก็ต้องอย่างนั้นนี่จิตใจก็แทจะลำบากภาวนามันก็จะลงนี่ภาวนามาทําตอนแก่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ อย่าเราต้องทํำไปขนาดนี้เป็นต้นไปไม่ต้องอ้างการผู้แก่แล้วก็แก่เอาภาวนาเหมือนกันภาวนาเพื่ออะไรเพื่อฝึกสติสมาธิปัญญาในการเจริไกลยเราฝึกให้เป็นคุณสมบัติฝึกให้เป็นที่พึ่งขังใจของเราทีนี้เครื่องอยู่แล้วก็ต้องถือว่าต้องมีสติเป็นเครื่องดูเรารักษาใจของเราไว้ตลอดนึกถึงถามที่ตั้งของเราตลอด ถ้าเราฝุกได้เราจะทำจะพูดอย่างใดเราจะคิดอย่างให้ตั้งใจเียก่อนฝาง ค, ความรู้สึกเข้าสู่ฐานที่ตั้งภาพให้ามันนิ่งอยู่เลยอ้าวคิดคิดได้มาคิดแล้วเสร็จแล้วเอาล้างล้างความคิดทิ้งเสียยะมันค้างในสมองก็เดินความรู้สึกมาจุดจ่อไว้ตรงที่จุดที่ตั้งนั้นพอแต่ถ้าจุดที่ตั้งดีอาจะล้างให้หมดใครลม หายใจพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธเท่งมาหนวดเลยเดี๋ยวหยุดเลยพินนั่นคือล้างไอ้แม่มันทางสมองเอาไปเวลาชมพูขอยุติไว้เพียงแค่นี้